มานี่มันฟังเสียงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องมันก็เลยฟังธรรมะไม่ได้เพราะนั้นมันที่มันเกิดเป็นหมานี่เสียโอกาสมากมาะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นพพภูมิที่อาภัพ ฟ, ฟังธรรมะไม่ได้เวลามันพูดกันก็ฮ้องๆ้องฮองในกระแสจิตเข้ามาอยอยาเข้ามาอยาเข้ามา พวกนั้นรับคืนก็รู้สึกได้เขาไม่เข้าไปเขาไม่เขาไปห้องห้องห้องกูอยาเข้าไปภาษาก็ออกมาจากใจนั่นแหละใจตัวเดียวจิตตัวเดียวเลยเมื่อคืนเนี่ยพูดถึงโสตาปฏิยังคะหมายว่าองค์ประกอบที่จะทำให้ เกิดการบรรลุธรรมเป็นประโซดาบันบุคคลคำว่าโซดาโซตาปฏิเอียงฆะโซตาหมายถึงผู้เข้ากระแสหมายถึงกระแสพันิพานกระแสของอริยมรรคอริยผลหรือกระแสของความที่จะบรรลุเป็นโพลานนั่นเองโซตาปฏิเอียงคะโสตาแปลว่ากระแสอปติ แปลว่าถึงยังคะก็ององเวลามาประกอบกันก็เลยเป็นองค์ประกอบหรือเหตุที่จะทำให้บรรลุพระสดาบันเป็นพระอริยบุคคลเบื้องตนเพราะถ้าใครเข้าสู่ความเป็นพระสดาบันแล้วเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติแล้วก็ปิดประตูอบายภูมิได้หรือว่าเข้ากระแสแน่นอนละถึงนิพพานแน่นอนละไม่เกินเจ็ดชาติแน่นอน ใครที่เวียนไหวาาตายเกิดเนี่ยไม่รู้กียรสงขัยก็ตามพอเข้าถึงกระแสนี้จะต้องไม่เกินเจตจาตยเกิดนี้ไม่เกินเจตจา ต, จาติแล้วจะต้องปิดประตูอาวาอยัยภูมิได้เด็ดขาดเพราะนั้นปสุวดาบันนี่ท่านถึงว่าเป็นผู้ไม่ตกต่าเป็นธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าก็เคยตัดเอาไว้ว่าเหตุที่จะทําให้บรรลุถึงปสุวดาบันเนะี่ย ก็มีเหตุสี่อย่างอันที่หนึ่งคบกับสัพปะบุรุษสัพปุริสังเสวะหมายถึงว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไปคบกับพระพุทธเจ้าถ้าเดี๋ยวนี้พระองค์ปรินิพานไปแล้วก็ต้องฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่ต้องไปฟังอย่างอื่นหรอกถ้าอยากเป็นพระโสดาบานันฟังธรรมะพระพุทธเจ้าข้อสองก็คือฟังธรรมนี้เอง สัทธรมมัตสวนังคาว่าสัทธธรรมหมายถึงธรรมะที่เนื้อหาเป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานหรือเป็นไปเพื่อการดับทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระทัยของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วไม่มีทุกข์แล้วความสุขที่เกิดจากความไม่มีทุกข์เนี่ยมันไม่มีความสุขใดในโลกมาเปรียบเทียบได้ในโลกไหนก็ตาม เมื่อพระ อ, องค์เห็นอย่างนี้พระ อ, องค์ก็จ้องพยายามที่จะสอนให้สาวเข้าไปถึงตรงนี้ให้ได้พราะนผู้ที่จะเข้าถึงตรงนี้ก็ต้องมีหลักการอย่างที่ว่านี้ครบสัปปรพบรบรุษหรือถ้าหากว่าสมัยนี้พระพุทธเจ้าไม่มีแล้วท่านปรินิพานไปแล้วถ้ามีผู้บรรลุตามพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่แน่ใจว่าสอนไม่ผิดพลาดสามารถอธิบาย เนื้อหาของธรรมะของมุนีเจ้าให้เราเข้าใจได้เราก็ต้องไปอันนี้เป็นเหตุภายนอกเนี่ยพึ่งผู้อื่นมันมีพึ่งผู้อื่นแล้วก็พึ่งตัวเองเหตุภายในเหตุภายนอกเหตุภายนอกนี่ก็เนี่ยอย่างพวกเราที่มานี่ก็เนี่ยมีเหตุภายนอกสับปูลิสังเสวะมีและคุณสมบัติข้อที่หนึ่งฟังพระสัทธรรมคุณสมบัติข้อที่สองคุณสมบัติข้อที่สต้องมีโยนิโสมาสิกาละ คือใส่ใจใส่ใจเพื่อให้มันรู้ความจริงใส่ใจเพื่อให้มันบรรลุมรรคผลนิพพานใส่ใจถ้าเบื้องต้นก็เอาใส่ใจให้เกิดสติเกิดสัมปชัญญะเกิดสมาธิในสมาธินั้นก็จะต้องใส่ใจให้มันรู้ความจริงคือทุกขั้นตอนให้มันรู้ความจริงเป้าหมายจริงๆอะ่ะ ให้มันรู้ความจริงให้มันรู้อยู่กับปัจจุบันให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดาไปนี่คือใสยใจถูกต้องให้รู้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้รู้มันอยู่ของมันให้รู้ว่ามีเหตุแล้วก็เกิดขึ้นหมดเหตุแล้วก็ดับไปถ้าลดหย่อนลงมาก็คือมีสติรู้ตัวไว้รู้ตัวไว้ทําอะไรอยู่รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้ถ้าใครที่มันมีความคิดมากๆมากก็ต้องพยายามที่จะให้มีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องคิดอะไร อาจจะต้องถึงขนาดว่าทําอะไรช้าๆหน่อยอันนี้คือขึ้นอยู่กับอุบายไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกอะไรวะความเหมาะสมของเราถ้าบางคนมันมีเหตุปัจจัยทําอะไรก็สงบอยู่แล้วทำการทํางานอยู่ก็ได้แต่มันก็ให้ใส่ใจถูกต้องอันเนี้ยคือใส่ใจทําอะไรอยู่ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวไว้รู้ตัวไว้อยู่กับปัจจุบันทีนี้เวลากระทบอารมณ์ อะไรขึ้นมาก็ต้องรู้ว่ามันเกิดแล้วต้องดับนี่คือใส่ใจถูกต้องไม่เอามาเป็นอารมณ์กระทบกันไม่ถูกใจปับ๊บขึ้นมามันไม่สบายใจละกุนหินอุนหิตก็ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดแล้วต้องดับนี่เรียกว่าใส่ใจถูกต้องมีโยนิโสมานิสิการถ้าใส่ใจไม่ถูกต้องก็โอ้โหเขาไม่ดีเขาว่าเราทาไมเขาต้องทาอย่างนี้ แต่ถ้ามันมีเหตุผลที่จําเป็นต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ทําได้ด้วยแต่ในใจของเราต้องมีหลักอย่างเนี้ทําให้ในใจเราเนี่ยมันเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเกิดแล้วต้องดับแต่ีบางทีเราก็ดับมันไม่ได้อะเพราะเราไปยึดเอาไว้นั่นก็คือปัญญาเราเนี่ยมันยังน้อยอยู่อินทรียังอ่อนอยู่มันก็จะไหลออกไปโทษข้างนอก เพ่งโทษคนข้างนอกคุณคิดถึงแต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะเรื่องราวเหล่านั้นไม่ดับไปแล้วมันถอยมาตั้งสติใหม่ตั้งสติใหม่แล้วก็ทําความเข้าใจเพราะการที่มันจะเข้าใจอย่างนี้มันต้องฟังธรรมะของพระมหากษัตฟังธรรมะประเภทที่สอนให้รู้ความจริงรู้หลักธรรมหลักธรรมเพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนเราทําความเข้าใจว่าเออรู้เรื่องชีวิตของเราก่อน ยอมรับว่าคนเราเนี่ยก่อนที่เราจะมาเป็นตัวเราเดี๋ยวนี้เริ่มต้นมาจากอะไรนี่คือทำความเข้าใจมีสติถ้าใครมีสติแล้วก็มีสมาธิหมายว่าพอสติมันมีกำลังขึ้นมามีกำลั ง, ม, ม, ลงมันก็ควบคุมจิตได้พอจิตเราพอมีกำลังพอที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจเราเกี่ยวกับนหน้าของเราเราก็ทำความเข้าใจได้ ความเข้าใจนี้มันต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่เราได้ยินได้ฟังอย่างที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองมาคบสัพพะบุรุษแล้วก็ฟังธรรมคือธรรมะของพุทเจ้านั่นแหละแล้วก็น้อมเข้ามาถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานธรรมะที่ถูกต้องคือฟังจนมันซึมซาบเข้ามาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกอยู่ในเยื่อในกระดูกของเราหมายความมันลึกซึ้งเข้ามาข้างใน ไม่ว่าจิตเราอยู่ระดับไหนมันก็จะต้องทำความเข้าใจได้เพรา ะ, ะสภาพจิตเนี่ยมันก็จะต้องตื่นตื่นแล้วก็รู้ตัวถ้ามันซึมมันหลับมันก็จะไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรต้องให้มันตื่นรู้สึกตัวตื่นตั ว, ต, ต, วตื่นตัวพอที่จะเข้าไปแล้วเห็นเห็นแล้วก็สามารถที่จะเอาธรรมะของมูยเจ้าเนี่ยมาทำให้จิตเข้าใจได้ ของการได้ยินได้ฟังหรือการที่ทำความเข้าใจไว้ก่อนมันก็มีส่วนทำให้เวลาเราเข้าไปเห็นแล้วจิตมันน้อมธรรมะเข้ามาสอนจิตตัวเองได้สอนตัวเองได้เช่นเรื่องลูกร่างกายอา้าวพ่อแม่นอนด้วยกันเชื้อของพ่อไข่ของแม่ผสมกันเป็นหยดน้ำเล็กๆฝังเข้าไปในมดลูกมันเป็นตมเหตุตัมปัจจัยจิตญาณหยางลงมันจึงเหมือนกับว่า ให้มองเห็นว่าเราเริ่มต้นะมันไม่มีเริ่มต้นก็ไม่มีละไม่มีตัวไม่มีตนละเนี่ยมันก็น้อมไปสู่อนัตตาได้มันเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยคืออาหารที่แม่รับประทานเข้าไปเราเรียกว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเจริญเติบโตข้อออกมาก็อาศัยอาหารนั่นแหละเราเลี้ยงอีกก็คือเอาธาตุดินน้ำลมไฟเข้าไปประกอบก็แสดงว่าร่างกายเราเนี่ยมันประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟ ถ้าไม่มีอาหารมันก็ตายมันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเรามันก็เลยไม่ใช่ของเราหรอกเพราะมันมาจากเหตุจากปัจจัยทั้งนั้นสุดท้ายมันก็แสดงเหตุปัจจัยของมันว่ามันก็ตายเหลือขี้เท่ากระดูกก็ไม่มีอะไรกลายเป็นดินไปลมก็ไปสู่ลมน้ำไปสู่น้ำไฟไปสู่ไฟสลายกลายเป็นดินไปดินก็กลับคืนไปสู่ดินไม่มีอะไรเลย นี่ไฟลลูกเนี่ยอันนี้พูดแบบกว้างๆแต่ถ้าหากว่ามันในรายละเอียดอ่ะในรายละเอียดสภาพร่างกายของมนุษย์เนี่ยที่พวกนักวิทยาศาสตร์เขาทําความเข้าใจอ่ะมันมีส่วนเล็กๆเล็กๆเลกๆอยู่ในเซลในอนูในปลรมนูเป็นโปรตอนเป็นนิวตอนอิเล็กตรอนหมุนวนอยู่เป็นพลังงานก็ทําให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้เคลื่อนไหวไปมาได้อะไรได้ เราบรทานเข้าไปก็มีการย่อยสลายเป็นธาตุเล็กๆเมลกุลเล็กๆเพื่อให้มันสามารถดูดซึมผ่านเข้าไปในผนังเซลเพื่อไปหล่อเลี้ยงสิ่งเหล่านี้เพื่อไปมีปฏิยาเป็นพลังงานแล้วก็เสื่อมสลายไปมันจึงเกิดดับอยู่ภายในตลอดเวลาถ้าเรามองไม่เห็นเราก็จะต้องศึกษาถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วเนี่ยใจเราก็เฉยๆกับร่างกาย มันก็เกิดอะไรขึ้นมันก็เฉยถ้ามันเฉยได้จริงมันมีอะไรเกิดก็มันเจ็บมันป่วยมันไข้เราก็ได้เห็นมันว่าโอ้นี่ไหมเห็นไหมมีเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นธรรมดาของมันเพราะร่างกายใจมันจะค่อยๆคลายออกไม่ยึดไม่ถือมันเห็นมันหิวมันก้าหายก็ไม่ดิ้นรนมากมันเจ็บมันปวดก็เออยอมรับความจริงว่ามีร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้แหละฮะอดลับพอดนอนก็ง่วงทํางานก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะก็มันเป็นธรรมชาติของมันนี่เราก็น้อมเข้าว่าการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีแยกขายอยู่ในโสมนัสิกานคือใส่ใจถูกต้องหรือใส่ใจอย่างมีแยกขายก็คือมันตรงกับความจริงอ่ะเมื่อมันตรงกับความจริงเนี่ยจิตเราเนี่ยมันยอมรับความจริงได้เมื่อยอมรับความจริงได้มันรู้ว่าไม่ใช่ของเรามันต้องคายออก เราควรทํำยังไงเราก็ต้องทําแต่หลักการเนี่ยต้องไม่ทิ้งว่าต้องมีอยู่ในสมนสิการคือให้มันใส่ใจให้มันตรงความจริงมีแยบคายทีนี้ถ้าหากว่าพูดถึงเวลาอยู่ในสมาธิอะไรอ่เงี้ยก็ต้องมีสติทําจิตให้ตื่นมันนิ่งก็ต้องรู้มันนิ่งมันเฉยต้องรู้มันเฉยมันว่างต้องรู้มันว่างรู้มันไปอะไรเกิดขึ้นก็รู้มันไป มันรู้แล้วถ้ามันเข้าใจมันก็เฉยเยเฉยเยเรียกว่าวางก็ได้เรียวว่าปล่อยเรียกว่าวางเรียวว่าคลายออกก็ได้เลียวว่าไม่ยึดก็ได้มันต้องมาจากความเข้าใจหรือเรียกว่าโยนิสมานสิการนั้นเมื่อมันมีแยบคลายเนี่ยเวลามันลึกซึ้งเข้าไปทีนี้มันก็ไม่จําเป็นต้องมาอธิบายเพราะถ้ามันเข้าใจแล้วมันก็จับเฉยเฉยเฉยเฉยแล้วก็ดูๆๆดูเฉยเฉยดูพร้อมกับอริยมรร ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็จะมีความอัศจรรย์เกิดขึ้นถ้าหากว่ามันเข้าไปสู่อริยมรรคมันก็จะเป็นอัตโนมัติขึ้นมาทุกอย่างก็จะเป็นทํางานเองเขาเรียกว่าเป็นอัตโนมัติสภาพธรรมที่เป็นอัตโนมัติมันเกิดขึ้นพร้อมกับความรู้ความเข้าใจพร้อมกับแสดงความจริงสัจธรรมความจริงคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมก็แสดงความเกิดดับความเปลี่ยนแปลงก็แสดงความเกิดดับ ความที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็คือความเกิดดับนั้นความเกิดดับนี้จะอยู่ในจิตนี่คือทางเดินของจิตที่มันจะเข้าไปถึงธรรมะที่ลึกซึ้งมันเห็นมากเห็นน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเห็นเพียงพอที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันวางมันทิ้งมันทิ้งทิ้งกันหน้าดูกายก็จะเข้าไปเหมือนกัน มันจะไม่มีกายไม่มีอะไรละเพราะมันเป็นสภาพธรรมแล้วมีแต่ภาวะอันหนึ่งที่แสดงว่ามีแต่การเปลี่ยนแปลงมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันพับๆัๆๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดในภาษาของการปฏิบัติก็มาจากนู่นแหละใส่ใจถูกต้องเริ่มตั้งแต่มีสติทุกริยบทพยายามสำรวมพยายามระวังมีอะไรเกิดขึ้นมาแบบน้อมเข้ามาแก้จิตตัวเอง เห็นไเห็นความเกิดความดับของลูกของน้าไปเรื่อยๆอันไหนที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นเราก็เข้าใจมันแล้วการที่รู้เห็นมันก็จะทะลุถึงกันว่าทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับเปลี่ยนแปลงไปฝ่ายน้าก็เหมือนกันฝ่ายน้าก็คือฝ่ายจิตฝ่ายจิตเนี่ยที่จริงมันเป็นแค่ธาตุรู้ตัวจิตจริงๆเนี่ยมันแค่รู้รู้เฉยๆเลยอะ่ะตัวจิตนี่มันรู้เฉยๆ แล้วทำไมมันจึงมีความสุขความทุกข์มีความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ในเมื่อจิตมันรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ในตัวจิตเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นเองได้โดยธรรมชาติลึกลับซับซ้อนละเอียดละออต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าจึงสามารถที่จะเข้าไปถึงตรงนี้แล้วนำมาสั่งสอนได้ ผู้ปฏิบัติตามเนี่ยก็เมื่อปฏิบัติตามมุ่เน่าไปปฏิบัติตามไปปฏิบัติตามไปมันก็จะเข้าไปถึงอันเดียวกันคือเห็นว่าจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้รู้เฉยๆรู้ว่างๆรู้แล้วมันก็จะมีอะไรที่มันอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับเรามีร่างกายเนี่ยชัวร่างกายมันเจ็บพอพูดถึงเจ็บมันเห็นภาพได้ง่ายทีแรกก็เจ็บอยู่ที่กายนานเข้านานเข้าพอจิตของเราเนี่ยมันละเอียดเข้าไป ความเจ็บนี่เป็นเรื่องของจิตให้จิตนี่มันไปรู้สึกอินกับความเจ็บนั้นมันก็รู้สึกทุรนทุลายมันเอาความเจ็บนั้นมาเป็นความเจ็บของจิตมันก็รู้สึกทุรนทุรายดิ้นรนอยากเลิกอยากขยับอยากหนีอยากให้ทุกข์หายมันก็กลายมาเป็นทุกข์ของจิตไปมันเข้ามาเกิดอยู่ในจิตแล้วมันก็มีเหตุปัจจัยแล้วมันก็เกิดขึ้นได้แต่จิตนี่มันบ้างอยู่มันรู้เฉย แต่ข้าวนี้มันมีสิ่งที่เหมือนกับสิ่งแปลกปลอมมาใส่จิตเกิดใส่จิตดับถ้ามันเห็นอย่างนี้มันก็วางเฉยได้เกิดแล้วก็ดับไปที่พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าตรงเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้เลยไม่มีอะไรเลยสรุปแล้วก็ไม่มีอะไรคือว่าหมายมาว่าตัวจิตก็เฉยๆอยู่เป็นธรรมชาติรั้ารมณ์เฉยๆอะไรมาก็เห็นว่ามันเกิดแล้วดับนี่ท่านเห็นแบบนี้ไม่ใช่มันไม่มีอะไรนะมันมีอยู่แต่ท่านไม่ไปยึดมั่นถือมัน่น ไม่ไปหลงว่าเป็นเราเป็นของเรามันไม่เป็นอะไรเลยอะ่ะพู้ง่ายทีนี้ผู้ปฏิบัติมันก็เลยตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเป้าหมายของชีวิตของแต่ละคนว่าถ้าหากว่าเข้าไปถึงความจริงรู้แจ้งเนื้อหาของจิตเนี่ยว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้พร้อมกับสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นความรู้สึกลึ ก, ลก น, นิดหน่อยๆมันก็จะมีอาการขึ้นมาในจิตเราเนี่ยมีอาการจากนั้นมันก็ชวนให้ปุงแต่มันจะปุงเองของมันน่ะถ้าผู้ที่เข้าถึงเนี่ยมันก็จะเห็นด้วยว่ามันคิดขึ้นมารู้สึกแล้วก็คิดอย่างรวดเร็วแล้วก็ดับอย่างรวดเร็ว ด, ด้วยเราเฉยกับมันได้หมดอะ่ะผู้ที่เฉยกับมันได้หมดนั่นแหละคือพราหมมันไม่ใช่ไม่มีนะอารมณ์พวกนี้นี่พูดให้ชัดๆเลยนะ เพราะถ้าหากว่าเราไม่พูดตรงนี้เราก็อธิบายไม่ถูกอธิบายได้ยากมากแล้วก็คนฟังก็จะเข้าใจยากก็คือให้รู้ว่าจริงแท้ชีวิตเนี่ยร่างกายก็รู้แล้วไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันอาศัยไดแค่ชาตินี้มันก็ต้องเสื่อมสิ้นสลายไปดับสลายไปถ้าใครมาสารวนกับร่างกายมากมันก็กลายเป็นความหลงไป หลงของเกิดของแก่ของเจ็บของตายหลงของที่มันจะต้องผัดภาคจากเราไปแน่นอนจะมามัวสารวนอยู่กับมันมาประดับมาตกมาแต่งมันมันก็กลายเป็นความหลงไปถ้าเรารู้แล้วเราก็เอาพอมันอยู่ได้แล้วที่สำคัญก็คือต้องปฏิบัติให้มันรู้ความจริงนั้นรู้ธรรมะนั้นมันยิงไปเป็นสิ่งประเสริฐมันยิงจะเป็นที่พึ่งเพราะมันจะดับทุกข์ในใจเรา ดับทุกแล้วมันก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าถึงนิพพานก็ได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หมดกิเลสตั้นหาอุปาทานก็ได้มันเป็นเนื้อหาอันเดียวกันหมดเลยในเมื่อเป้าหมายมันคือตรงนั้นเราจึงจําเป็นต้องฟังธรรมะของโมทจ้าวพระเจ้าก็จะสอนว่าเออมันเป็นแค่มันมีเหตุแล้วก็เกิดขึ้นธรรมะอาศัยกันแล้วก็เกิดขึ้นเหมือนมีกระทบมีอะไรมากระทบปั๊บมันก็จะรู้สึกขึ้นมา มันเป็นธรรมชาติเลยนะตรงนี้นะมันไม่ใช่เรานะไม่ใช่ตัวเรานะมันเกิดเองโดยธรรมชาติเพรอธรรมชาติแก่นแท้จริงๆตัวจิตนี่ก็คือธาตุรู้เฉยๆมันเป็นธาตุธาตุรู้คําว่าธาตุรู้ในที่นี้ก็หมายความว่ามันรู้อารมณ์ได้เองมันไม่ใช่เรานะมันรู้ได้เองธ า, า, าตุมาจากคาว่าธาตุธาตุอันนี้หมายว่ามันทรงตัวเองอยู่ได้โดยธรรมชาติของมัน มันจึงแค่รู้อารมณ์เฉยๆแต่เนื่องจากว่าเราอยากทำใจไม่ได้เพราะว่าการปฏิบัติของเราอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่มันมีเรามีเรามันเคยหลงมานานแล้วเราก็จาเป็นจะต้องเอาจิตดั้งเดิมเนี่ยยกมันขึ้นมาเอามาตั้งไว้อ่าเอามาเป็นบรรทันาน์ทันถึงว่าจิตเดิมแท้หรือจิตดั้งเดิมเนี่ยมันือไม่เป็นอะไรเป็นธรรมชาติ แต่มันรู้อารมณ์ได้นี่คือความอัศจรรย์ของมันธรรมชาติอันนี้รู้อารมณ์ได้นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นอะไรมามันรู้สึกไม่ค่อยสบายขึ้นมาวับมันก็จะเริ่มปรุงแต่งละมันจะเอาสุขมันไม่อยากมีทุกข์คืออยากให้สมอยากก็ได้พูดอย่างนี้ก็ได้มันจะได้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเวลามีอะไรขึ้นมาปุ๊บมันอยากสมอยากอยากให้ได้ดังใจเวลาทุกข์มันไม่อยากเป็นทุกข์มันอยากให้ทุกข์ดับ เวลาสุกมันจึงยึดมันอยากจะเอาสุขไม่อยากเอาทุกนี่แหละมันก็เลยเอาสุขแต่ว่ามันผักต้านความทุกขปฏิเสธทุกอยากให้ทุกดับทีนี้ในจิตเรามันเป็นอย่างนี้ปฏิยาของมันเพราะนั้นอากับกิริยาของคนเรามันก็จะเป็นไปตามความรู้สึกในจิตนี้มันรู้สึกขึ้นมาแล้วมันก็ฮึดฮัดเพราะอะไรเพราะรู้ไม่ทันตรงนี้ถ้าจิตใจมันหยาบมากมันก็ึดฮัดมากปากก็พูดไป กายก็คือทัดก็ฟัดก็เฟียกก็บทืบเทา้ายกนุ่นยกนี่ ต, นนตีน่นเตนี่หว่างปาน่นนีนุ่นทั้งสาบแช่งดากนดาบนพึ่มพำมระบายออกที่มาของมันก็คือไม่เห็นตอนที่มันเกิดเองดับเองนั้นจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติอันหนึง่งคนมีจิตเนี่ยมีกระทบมันก็จะต้องมีอาการละคายเครืองเขาเรียกเวทนาทุกเวทนาบางสุขเวทนาบาง แล้มันก็จะปรุงแต่งเป็นความคิดเวลาทุกขเวทนามามันก็ไม่พอใจไม่พอใจมันแสดงออกทางกายทางคำพูดบน่นดา่านินทาว่าร้ายว่าไปมันก็เลยน่ลุกลามไปแต่เนื้อหาจริงๆกคือมันเกิดดับในจิตตัวเรื่องราวทั้งหลายก็มาจากการที่มันไม่เห็นไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวตนมันไม่มีอะไรมันเกิดแล้วก็ดับแต่ตัวเองไม่เห็นนี่ถึงเรียกว่ า, าวิชาไม่รู้ ไม่รู้ว่ามันเกิดมันดับไม่รู้ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนหรือไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์คาว่าทุกข์ในทีนี้ก็คือมันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรแต่เราไม่เห็นตรงนี้อาวิชามันก็เลยครอบงามจิตความหลงกลายเป็นความหลงความหลงก็เลยแสดงออกมาถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเห็นว่าความทุกข์ของคนในโลกเราเพราะตรงนี้เอง นี่จริงเรียกว่มีอวิชชาคือมไม่รู้ตรงนี้ไม่มีตรงนี้มันก็เลยมีตัวเรามีตัวเรามันก็อยากให้เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้อยากได้นั่นอยากได้นี่ก่อเกิดมาจา ก, กจิตที่ไม่รู้อารมณ์ไม่รู้แจง้งในสัจธรรมก็ได้ในความจริงว่าจิตจริงแท้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันแค่รู้อารมณ์เฉยๆเป็นธรรมชาติอันนึงจิตจึงเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ แต่มันนึกคิดปรุงแต่งได้เราจะจังดับมันได้ด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือมีอยู่ในโสมนัสิการฟังธรรมะของพระเจ้าแล้วมันมีความรู้ขึ้นมาแล้วว่าโอ้ร่างกายอันนี้มันก็อยู่ชั่วคราวเฉยๆไม่ใช่มันไม่มีมันมีอยู่แต่มีชั่วคราวเฉยๆอุบัติขึ้นมายังไงยังไงเราเข้าใจหมดแล้วสุดท้ายมันต้องตายเพราะเราทําบ่อยๆบ่อยๆ อ, อ, อ, อย่างนี้ไอ้ร่างกายที่มันเคยสารบนกับมันมากๆปัญหามันก็จะลดลงไป ไอ้ที่มันจะมาบีบคั้นจิตใจเราได้มันก็ลดลงไปยังมีแมียเชียเคยเป็นช่างเสริมสวยมาเคยมีร้านเสริมสวยประดับเนี่ยนย่จะเห็นว่าพวกที่เขาเนี่ยหลงร่างกายมากเนี่ยมันก็จะโอ้ย oh, พี่ีพี่ฐานมากต้องมาแต่งเล็บขัดเล็บเนี่ยแต่งผมแต่งผิวมาบีบมานวดมาเพิ่มเติมยาฉีดนู่นฉีดนี่ถ้าหาว่ามันมันละเอียดเข้าไปนั่นคือหลงร่างกาย หลงยังไงก็ต้องตายแก่ลงไปก็ต้องตายตกแต่งมากมากพอเริ่มอายุมากแก่งไปเป็นทุกข์เลยทีนี้ไม่อยากแก่คือมันนําทุกข์มาให้เพราะความหลงผิดนี่แหละหลงผิดพราะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหมดเหตุปัจจัยเมื่อไหร่มันก็ต้องเสื่อมสิ้นสลายฝายลูกฝายน้นํานี่โอ้โหย มันก็ยิ่งลมๆแรงๆอ่ะของเกิดดับชนิดที่อย่างรวดเร็วแล้วไรลล่ อ, ลองอยด้วยแต่มันเห็นได้ด้วยการปฏิบัติตามพระพุทธเาวเท่านั้นมันไม่มีทางอื่นเลยอ่ะแล้วก็ปฏิบัติต้องลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเห็นลึกซึ้งเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปจำไว้ว่าอยากไม่ได้อยากเมื่อไหร่กั้นเมื่อนั้นไปฟังธรรมะมาแล้วก็โอ้ยไม่มีตัวเรา พอมีสมาธิพอได้เห็นมันลงตัวนิดหน่อยเนี้ยมันก็จะพยายามที่จะไปสรุปไปเทียบเคียงว่าสงสัยนี่มัง้งสงสัยนี่มัง้งเนี่ททำให้เนิ่นช้าด้วยก็ต้องสังเกตการมันให้รู้ห้ามมันไม่ได้มันก็อดไม่ได้รู้เมื่อไหร่ก็ดูไปให้สร้างเหตุเรื่อยไปเรียกว่ามีโยนิโสมาสิการรืไปเพราะนั้นเราจึงเน้นคำโยนิโสมนสิการมาก ไม่ได้เป็นเน้นสมาธิไม่ได้เป็ น, นเน้นฌานเน้นญาณอะไรเลยโยนิโสมานสิการมีสติมีสัมผัส ญ, ญามีสมาธิใจตั้งมั่นแน่วแน่แล้วเอาดูเข้าไปเลยก็อันเดียวกันนั่นแหละก็คือการปฏิบัตินี่แหละแต่เราให้มันมีแยบคายแยียบคายในทีน่นี้ในชีวิตประจําวันเนี่ยถ้ามันอยู่ความเป็นอยู่มันเข้าใจอะ่ะปัญหาจะลดลงทันทีเลยอย่างวัดเราเนี่ยก็ค่อยดีขึ้นเพราะว่า เราฟังทำกันเราปฏิบัติทมกันมันก็มีความแยบขายขึ้นมาเข้าใจขึ้มายอมรับธรรมะขึ้นมาปัญหาก็ต้องลดลงไปตามลําดับลําดับผลใครที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลก็คือตรงนี้แะมันเข้าใจมันคายออกบ่อยว่างมันก็รั่วเนี่ยมันเกิดจากจิตเราเองจิตเรามันไม่รั่วลิย ส, สัต์สีมันมีความลุ่มหลงผิดอะไรผ่านมาแล้วมันก็ไม่ยอมให้ผ่านไปไม่รู้ว่าเกิดแล้วก็ดับ เสร็จแล้วตัวจิตเนี่ยมันคิดได้ปรุงแต่งได้มันก็ปรุงแต่งของมันขึ้นมาอีกเราก็ไม่เห็นว่าสิ่งปรุงแต่งอันเนี้ยเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันปรุงแต่งไปมันก็ไปพูดพูดแล้วมันก็คิดต่ออีกคนฟังก็คิดต่ออีกมันก็มีพวกมีฟ้องก็มีปัญหาสารพัดนี่คือที่มาของมันตรงจิตของเราที่มีอวิชชามีความหลงเพราะมันไม่เห็นสัจธรรมความจริงคือสิ่งทั้งหลายมันเป็นธรรมชาติ เกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเวลาผู้เจ้าแสดงธรรมครั้งแรกจึงสรุปว่าเพราะไม่รู้อริยสัจสีตัววิชาคือไม่รู้อริยสัจสีคือไม่รู้ทุกถ้ารู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งก็คือมันไม่มีเราอ่ะเหตุแดงทุก์มันก็ไม่มีสมูทยัยอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันมีขึ้นมาก็เห็นมันดับไปถ้าโดยธรรมชาติแล้วมันรวดเร็วที่สุดอาการพวกนี้นะมันบอกไม่ถูก ความรวดเร็วของมันเนี่ยเกิดดับอย่างรวดเร็วผู้รู้ก็รู้อยู่อย่างนั้นไอตัวเกิดก็เกิดของมันลอยๆขึ้นมาแบบนั้นแหะแต่มันก็มีเหตุอยู่มีเหตุแล้วเกิดเพราะเรามีกายมีจิตในกายก็มีธาตุดินน้ำลมไฟความเปลี่ยนแปลงของธาตุของขันมันก็มีอาการที่มันบีบคั้นบีบคั้นแล้วตัวจิตนี่มันก็ไปเสเวยเสเวยแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องมีทุกข์คือความบีบคั้น เมื่อมันบีบคั้นมันก็กระเทือนเข้าไปถึงจิตตัวจิตก็จะมีปฏิยาเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นปฏิยาที่มันเกิดจากเวทนาของกายมันก็เลยปรุงแต่งขึ้นมาเรากไปยึดความคิดนึกปรุงแต่งเหล่านั้นไม่พอใจหืดฮัทขึ้นมาน้อยเนื้อต่ําใจขึ้นมาหรือว่าโกรธเคืองขึ้นมาหงุดหงิดลาคาญขึ้นมาเบื่อหน่ายขึ้นมาถ้ารู้เราก็วางได้ผลผู้ปฏิบัตินี่ คือยกตัวอย่างเวทนาเพราะอะไรมันชัดเจนเพราะนัเวลามันนั่งนั่งเจ็บมันเจ็บขึ้นมาเนี่ยเอาลองลองไม่อย่าเพิ่งขยับมันตั้งสติเลยฝึกโยนิโสมนสิการฝึกให้เข้าไปดูดูแล้วมันก็ความเจ็บเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้ากําลังจิตเราไม่พอมอย่าเริ่มเอ๊ะไม่ไหวแน่แน่เนี่ยไอ้ก่อนที่ก็จะออกจากมไม่ไหวนี่มันต้องไปขึ้นมาแล้วเอาขึ้นความเจ็บมาแล้ว มันรู้สึกระคายเครืองขึ้นมาแล้วมันมีอาการเนี่ยเราปุุงแต่งมีอาการที่อึดอัดอยากจะให้ทุกข์หายมันบอกไม่ถูกก่าตรงเนี้มันเป็นอยู่ในจิตแต่มันมันเริ่มมาเนี่ยมันมันกว่าจะมันออกมาเป็นความคิดขยับดีไหมไอ้ส่วนที่มันเป็นฝ่ายธรรมะมันก็เอออย่าเพิ่งดูไปก่อนก็สู้ต่อไปให้ความคิดก็เกิดดับไปมันก็จะเห็นความคิดนี้เกิดแล้วก็ดับ เดี๋ยวนั่งไปมันเจ็บแรงขึ้นมาอีกเพราะมันนั่งนานขึ้นเหตุปัจจัยมันมีไอ้ส่วนข้างบนกระทับลงไปเจ็บขึ้นมาอีกมันเจ็บแรงขึ้นทีนี่จะเอายังไงดีเนี่ยมันแรงขึ้นมาแล้วมันจะหายไหมเนี่ยจะเป็นอะไรไปไหมถ้ารู้ทันตรงนี้มันก็เกิดดับไปก็จะเห็นว่าเออมันเป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่เราก็คือเห็นปะไติลักษณ์นั่นเองเห็นนี้จังทุกขังอนาตา ตัวใจรักนี่แหละคือตัวทําเป็นประตูที่จะไปสู่พรนิพพานเห็นบ่อยๆเข้าเรื่อยๆแล้วยังมีภาวะอันหนึ่งซึ่งมันเหมือนกับมันอยู่ในจิตเอ่อมันละเอียดเข้าไปมันอยู่ในจิตเลยเนะเป็นความเกิดดับภายในจิตเป็นความเกิดดับของจิตอันนี้เราก็อธิบายไม่ถูกแต่รู้สึกว่าอย่างนั้นนะว่ามันเกิดดับภายในจิตจิตอาจจะเห็น เห็นกายก็ตามเวทนาก็ตามเห็นจิตก็ตามเห็นอะไรเกิดดับมันก็จะรู้สึกได้ถึงตัวจิตนี้กระเทือนเข้ามาหาจิตนี้คือตัวจิตเนี่ยมันก็เกิดดับเหมือนกันพวกเหล่านั้นก็เกิดดับพร้อมกับจิตมันก็เลยเพื่องผู้ดูสิ่งถูกดูเนี่ยมันก็เป็นของเกิดดับอันนี้มันเป็นขบวนการของการปฏิบัติเพราะนั้นอัญญากณทัญญาเนี่ยพอท่านฟังธรรมถึงเรื่องอยะสตสปุ๊บ จิตของท่านสรุปปั๊บสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่คือความรู้ความเห็นอันนี้มันทะลุออกไปถึงธรรมชาติทั้งหมดต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนพระเจ้าก็รับรองขึ้นมาทันทีว่าอัญญากุลธัญญะรู้เรื่องหนอท่านมาถึงตรงนี้สรุปได้ตรงนี้ก็เรียกว่านั่นแหะเข้าสู่กระแสพระโสดาบันแล้วผู้ที่เข้าสูส่กร ะ, ะสแสหรือว่าบรรลุธรรมขั้นต้นบรรลุมรรคนั่นเอง เขาสวดิยามาักเบื้องตนน้นขั้นที่หนึ่งเขาจึงเรียกว่าโสตาปันโนคือพระโสดาบันใครก็ตามถ้าบรรลุขั้นที่หนึ่งปุ๊บจะต้องเป็นพระโสดาบันละเรียกได้เลยว่านี่พระโสดาบันไปเกิดชาติต่ตอไปถ้ายังไม่พ้นทุก์ไปเกิดอีกจิตนั้นก็ยังเป็นพระโสดาบันคุณสมบัติของพระโสดาบันก็ยังอยู่ไม่ไปไหนเกิดมาแล้วก็จะมีความส้ำรวมเ อ, อเรื่องศีลโอไม่อยาฆ่าสัตว์เลย เป็นเองเลยเด็กๆ เ, เกิดมาเนี่ยมันยังไม่เท่ากันนะไม่อยากาา่าสัตเห็นใครข่าก็อยากจะบอกเขายังเด็กอยู่เลยบอกบอกพ่อบอกแม่โอ้ยอย่าคาสัตเลยมันไม่ดีมันเป็ น, ป น, ปนบาปมันเกิดขึ้นในจิตของเขาแค่โกหกหยอกล้อกันพูดโกหกจิตมันก็แวบขึ้นมาละโอ้โหไม่สบายใจเราจะเลิกพูดอย่างนี้คือมันจะมีคนอสวดในจิตของเขาอันนี้หมายว่าพระโสดาบัน เกิดอีไม่เกินเจ็ดชาติถ้าถึงปัจจุบันแล้วก็เอาละเริ่มเห็นขบวนการเห็นวิธีการเห็นทางปฏิบัติต่อไปก็อาจจะมีสงสัยบ้างแต่ก็พอปฏิบัติไปได้ไม่ใช่ว่าไม่สงสัยเลยบางอย่างก็อาจจะมีสงสัยแต่รู้ทางแล้วถึงยังไงก็พอประครับประคองจิตตัวเองเอาไว้ได้พอปฏิบัติไปได้นี่พูดในแง่ของการปฏิบัติหรือทุกข์ก็น้อยลงไปแล้วมันปล่อยวางได้อะ ถ้าคนทั่วไปพระพุทธเจ้าบอกว่าคนทั่วไปเนี่ทุกเท่าภูเขาพระโสดาบันทุกเท่าขี่เล็บเลยเพราะอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีเอาตัวตนออกไปรับอะ่ะแต่คนทั่วไปก็เต็มร้อยเลยอ่ะเต็มที่เลยมีอตามีตัวตนผลโยโสมันสิการมันจึงเริ่มตั้งแต่มีสติรู้ตัวทำอะไรพยายามมีสติไว้หลักทำอะไรที่มันจะช่วย ทำให้สติเราดีขึ้นมาเราก็เอามาใช้พระพุทธ้าก็วางหลักไว้หมดอ่ะผูดน้อยกินน้อยนอนน้อ ย, อ ย, อยเพียรมากอะไรเนี่ยว่าไปเนี่ยนะเพื่อให้สติมันดีมีสติแล้วตัวสตินี้มันมีสัมปชัญญะรู้ตัวขึ้นมาโดยที่เรามีความเข้าใจธรรมะของมุทธเจ้าอยู่เนี่ยได้ยินได้ฟังบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้อะไรเกิดขึ้นอ่ะมันวางได้เร็วขึ้นมันมาช่วย ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วน้อมเข้ามาโอ้มันไม่มีอะไรอะ่ะวางไปวางไปทุกคนมาก็มาฟังธรรมะมาปฏิบัติตามธรรม ะ, ม, รร ม, ะมันมีเป้าหมายอันเดียวกันนะเพื่อออกจากทุกต้องออกจากทุกถึงหรือไม่ถึงอีกเรื่องหนึ่งแต่เป้าหมายต้องมีเพราะพุทธยอดนี่ท่านไม่มีทุกเวลาสอนก็ต้องสอนให้สาวกไม่มีทุกขแต่นี้เมื่อยังทําไม่ได้ท่านก็ต้องเออสอนให้ทาบุญสุนทานไป ทำคุณงามความดีไปให้ใจมันสบายสติรักษาจิตใจง่ายไ่เป็นสมาธิขึ้นมาถึงระดับไหนก็เอาให้ทำไปตามนี้ก็เลยกลายเป็นบา ร, รมีไปชาตินี้ไม่บรรลุอะไรท่านก็เรียกพระบารมะเป็นบา ร, รมีไปแต่จริงแท้แล้วเนี่ยพรเจ้าเวลาสอนสาวกในเป้าหมายก็คือว่าต้องพ้นทุกข์ออกจากทุกข์แต่ถ้าใครยังไม่ได้ก็เอาลดหลั่นลงไป สร้างบา ร, รมีไปส่วนข้อที่4ี่ธรรมานุธรรมะปฏิป ต, ปติภาษาไทยเขาแปลว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่มีผู้ที่รู้บาลีเขาก็อธิบายธรรมานุธรรมะปฏิบัติธรรมให้ธรรมย่อยๆคลอยสู่ธรรมใหญ่ๆก็คือให้มารู้ความจริงเพื่อการปล่อยวางนั่นแหละเพื่อเห็นความเกิดดับนั่นแหละเพื่อเห็นความเ ป, ปลี่ยนแปลงนั่นแหละเพื่อเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นแหละแต่เห็นแบบนี้ก็คือ สอดคล้องกับการที่จะบรรลุอริยมรรคอริยผลหรือบรรลุพานิพานนั่นเองถึงนิพานก็หมายว่ามันว่างว่างหมดเลยไม่มีเราเลยตัวจิตก็สักแต่ ว, ว่าธรรมชาติธาตุรู้เลยอะไรเกิดก็เกิดดับภายใต้ความรู้นั้นจึงเรียกว่าสุดท้ายประเดิษฐ์เพื่อให้รู้เพื่อรู้ต้องรู้ในความรู้นั้นมันเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเป็นอะไรอ่ะมันไม่มีหมายอะไรเลยอะ มือนก็นมันเข้าสู่ธรรมชาติเลยแรกเริ่มเดิมทีจิตเนี่ยมันประพัดสอนอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแค่รู้อารมณ์เฉยๆอยู่แล้วอ่ะนิพานอยู่แล้วพูง่ายๆอ่ะนี่แหะจิตดั้งเดิมของคนเราอะ่ะมันเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าที่จิตเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสซึ่งเป็นอาคารตุ ก, กะจรเข้ามาเพราะกิเลสนี้มันจรเข้ามาเป็นอารมณ์จรเข้ามาถ้าพูดในชีวิตประจําวัน เราก็เห็นมันเป็นอารมณ์จรนเข้ามาอาคันตุกะมันไม่ใช่จิตเพราะนั้นในจิตของโุหลาบก็ตามก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เกิดดับในจิตนี้มีเป็นภาวะอันหนึ่งที่ไม่ว่ามันจะเกิดกับกายหรือเกิดกับอะไรก็ตามแต่มันเข้าไปรู้ที่จิตตัวจิตมันจะรู้ว่ามีเกิดดับแล้วก็วางเฉยเกิดดับเฉยถึงมันยังไม่ดับมันมีอยู่สภาเจ็บอย่างนี้เจ็บอย่างมาก มันก็แค่รู้ว่าเจ็บอ่ะตัวจิตเองก็ยังนิ่งเงียบรู้อยู่รู้อยู่ศัพ์แต่ว่ารู้ว่าเจ็บไม่ใช่ให้เจ็บหายเพราะเวลาปฏิบัติเราไม่ใช่ว่าอยากให้เจ็บหายให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเครื่องรู้ของจิตอ่ะเกิดมาเพื่อให้จิตรู้เมื่อรู้แล้วก็ให้มันรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดเองดับเองเกิดจากเหตุจากปัจจัยแล้วมันก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัย หรือว่าเห็นมันเกิดดับเห็นมันเปลี่ยนแปลงจึงสามารถสรุปได้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนตังมะมะน้ไม่ใช่เราพรอะไรเกิดขึ้นมาปับ๊บถ้าจิตของเรามันแน่วแน่อยู่มันก็จะรู้ว่านี้ไม่ใช่เรานี่คือแยบคายเจ็บอยู่แต่นี้ไม่ใช่เราอันนี้เป็นทุกข์บีบคั้นแต่การเห็นวันนี้ไม่ใช่เราเนี่ย กลายเป็นเห็นทุกข์ว่ามันไม่ใช่เราเป็นสภาวะทุกอันหนึ่งเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดถึงแต่ความทุกข์ที่บีบคั้นบีบคั้นกายโอ้ปวดท้องปวดหัวนั่งนานก็เจ็บก็ปวดแข็งปวดทขาปวดเท้าปวดเอวปวดแขนปวดหลังเข้าไปหาจิตทีนี่จิตก็เริ่มทุรนทุรายต้องไม่มีตัวตนไม่ใช่เราถ้าเห็นว่าไม่ใช่เราเห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่ามันเปลีป่ยนแปลง นี่เราเรียกว่าเห็นปฏิลักษเห็นปฏิลักษนี่ก็คือทางไปสู่พานิพานเป็นประตูสู่พานิาพานผลเวลาปฏิบัติมันจึงพยายามที่จะรู้ตัวแล้วอะไรเกิดขึ้นมาให้มันเห็นเห็นว่าเกิดแล้วก็ดับไปเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจนกระทั่งมันสามารถที่จะเป็นขึ้นมาในจิตเราว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่เราเข้าสู่กระแสล้ว มันจึงมีการเห็นเห็นรู้เข้าใจแล้วจิตก็คลายออกจิตก็ปล่อยวางเพะในชีวิตประจำวันเนี่ยใครปล่อยวางได้มากก็เรียกว่ามันเข้าใกล้ธรรมพอแสดงว่ารู้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายผ่านมาแล้วผ่านไปเกิดแล้วก็ดับไปเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเหลื อ, อาการที่เราเข้าไปยึดติดข้องเราก็รีบปล่อยรีบวาง วางได้ก็อยู่ที่คุณสมบัติของจิตเพราะนัสจิตมันยังไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้มันก็วางยากอะ่ะเพราะมันยังไม่รู้ไม่เห็นมันก็เลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจความหลงมันก็หลงว่าเป็นเราอยู่หลักโยนิโสมนสิการใส่ใจถูกต้องตามหลักความเป็นจริงหรือใส่ใจโดยแยบคายเพื่อให้รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง เพื่อให้บรรลุมรคนิพพานกับธรรมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมให้ผลของการปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อยคอยไปสู่การปล่อยการวางการรู้การเห็นความจริงแล้วปล่อยวางปล่อยวางเพื่อไปสู่พระนิพพานธรรมะใหญ่สุดเลยก็คือพระนิพพานหรืออริยมรรคแต่ละขั้นตอนอมรรคที่หนึ่งมรรคสองมรรคามรรคี่ก็นิพพานเป็นธรรมะใหญ่ ธรรมะธรรมานุธรรมะประธรมะย่อยๆก็ตังต้งแต่การรู้ตัวมีสติรู้สึกตัวทําอะไรสํารวมระวังละมัดระวังรวมทั้งอุบายใดที่จะทําให้จิตเรามันสงบง่ายมันดีขึ้นมาก็ทําทําดีไปมีอะไรพอช่วยก็ทําไปสิ่งไหนเป็นกุศลก็ทําไปเป้าหมายคือตรงนี้เพื่อให้จิตของเรามีอยู่ในสวงมันสิการ ถ้าอะไรมันไม่ถูกต้องมันขัดขวางทำคุณคิดมันดึงจิตเราออกไปเสียเวลาเวลามันก็จะรู้มันก็จะเห็นมันจะหยุดมันไม่อยากทํายิงจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่โอ้ยเล็กๆกน้อยๆ้อยทำไม่ได้เลยคิดได้ยังไงเริ่มตำหนิตัวเองแต่มันก็จะหัวห้ามมันไม่ได้อะความคิดเนี่ยมันก็จะวางไปปล่อยไป ความคิดมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ว่านั้นน่ะพอสติปัญญาเราเนี่ยมันไม่พอมันจึงไปไม่รู้ทันความคิดอ่ะจริงจริงความคิดเนี่ยพอปฏิยามันเกิดขึ้นจิตของเราเริ่มละคลายเครื่องมันก็อยากให้ทุกข์หายทุกข์ดับมันจะเอาสุขมันอยากให้สมอยากมันก็เลยปรุงแต่งปรุงแต่งเพื่อจะเอาอย่างที่ว่านี้มันก็กลายเป็นตัณหาไปตัณหาก็เลยมาในรูปของความคิด ถ้ารู้ทันมันก็ดับตัณหาก็เล่นงานเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้กิเลตัญหามาในรูปความคิดหมดเลยแล้วความคิดนี้ก็ไม่มีตัวตนโดยเป็นของเกิดดับรู้ทันเมื่อไหร่มันดับเมื่อ น, นั้นแต่ไม่ใช่ไม่มี ม, มีพ่อหลานก็ต้องมียืนยันว่าพ่อหลานก็ต้องมีมีแต่ท่านรู้ว่ามันเกิดและดับกิเลกก็มีหมายว่าเมื่อมันป๊บปฏิยามันขึ้นมา ไม่ถูกใจไม่ได้ใจมีแต่มันวับเดียวแวบเดียวแล้วก็ดับละคายเครืองนิดหน่อยกายร้อนวาบจิตไม่สบายนี่คือเวทนาแต่มันไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อไปหรือมันจะปรุงแต่งก็รู้อีกคือจิตของท่านมันมีคุณสมบัติที่จะรู้เห็นพวกนี้ว่ามันมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับท่านจึงไม่กลัวมัน ไม่ไปใส่ใจมันรู้แล้วนี่ความรู้อันนี้ที่มันทำให้ไม่มีทุกข์มันก็เลยไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดอะไรเลยรวมทั้งตัวจิตก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเหมือนกับเป็นจิตเป็นาธาตุสักเทวรู้ไปเลยผลอะไรมามันก็เลยดูแบบนิ่งเงียบพร้อมกับเห็นปัจจุบันปับ๊บเกิดแล้วปับ๊บเกิดแล้วปั๊บแป๊ บ, ปบเหมือนกัอเหมือนแป๊บก็จ็จิตมันก็ยังนิ่งอยู่ แป๊บอีกก็ น, นิ่งอยู่เพราะนั้นท่านถึงรอบครอบเวลาจิตมันนิ่งมันเฉยไม่มีอะไรมากุ้มลุ่มมันก็เหมือนตัวจิตมันถูกเปิดทำความเข้าใจอะไรก็ง่ายเพราะนั้นธรรมะที่จะทำให้มนุษย์สมบูรณ์ถึงที่สุดก็คือการบรรลุธรรมนี้เองเพราะนั้นสิ่งประเสริฐสูงสุดก็คือการบรรลุธรรม ต, มตามพระพุทธเจ้า จึงไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่านี้อีกแล้วร่างกายก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟอยู่อย่างนั้นแม้ร่างกายพ่อหลานก็เป็นอันเดียวกันเป็นแค่ดินน้ำลมไฟแต่ว่าตัวจิตภาพรู้ที่มันรู้แจ้งอันนี้มันอยู่ในร่างกายอันนั้นก็เลยสมมุติเรียกว่าคนนั้นนเป็นพ่อหลานไปแต่พ่อหลานท่านก็จะเฉยๆกับมันไปแต่ก็จะมีบ้างซึ่งจาเป็นต้อง ดำเนินเพื่อเป็นแบบอย่างบ้างเพื่อให้มันเป็นประโยชน์แก่อนุชนบ้างแต่ถ้าโดยลําพังแล้วท่านจะเป็นธรรมชาติของท่านเองอยู่ยังไงได้ได้แค่มีชีวิตอยู่ก่อนที่มันจะตายไปหอนถ้าพ่อหานมาอยู่ในร่างกายของพระมันก็จะมีวิ น, นัยมีข้อปฏิบัติแบบพระขึ้นมาถ้าไม่ๆก็ข้อปฏิบัติเหล่านั้นก็เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ ไปสู่ความเป็นพหลานเพื่อให้มันรู้ความจริงแต่เพื่อไปถึงแล้วมันก็หมดความหมายไปมันไม่จะเป็นต้องไปรักษาไปปฏิบัติเพื่อสิ่งนี้อีกมันก็ทำแค่เป็นตัวอย่างทำเพื่อให้มันเกิดประโยชน์แก่อนุชนเอาสรุปแล้วก็คือว่าทำที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยบรรลุเป็นผโสดาบานมีสี่อย่างก็คืออันที่หนึ่งก็ง ครบสบรรพผลหรือฟังธรรมสุรุผลในสมัยนั้นคือหมายถึงพระพุทธเจ้าก็คือไปหาพระพุทธเจ้ากันจากนั้นก็ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าทามัสสวรังแล้วก็ต้องเอามาวินาอยากแยบคายหรือใส่ใจให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงคำว่าใส่ใจถูกต้องมันรวมทั้งการที่เราพยายามที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิพยายามสารวมระวัง ถ้าจิตของใครมันมีสมาธิอยู่แล้วมันมีสติดีอยู่แล้วมันยิ่งบุตรไหนมันก็ได้หมดอ่ะแต่คนไหนสิรู้สึกว่าเออมันยังหลุดไปนู่นไปนี่ก็อย่าพึ่งไปเกี่ยวข้องอะไรมากก็ต้องมาตรงนี้พยายามมีสติไม่ต้องดีบร้อนอะไรอะทําช้าก็ได้แล้แต่ความพอดีอันนี้มันมันหลักมันมีอยู่แล้วจะมีโยนิโสมนสิการทําให้มันพอดีกับตัวเองนี่ล่ะ ให้มันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีสมาธิมีปัญญาแล้วก็ยังเข้าไปลึกซึ้งยิ่งจิตมันลึกซึ้งเข้าไปก็เข้าไปเห็นแบบลึกซึ้งเข้าไปมันก็จิตก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้แต่ละคนก็ต้องรู้เองอะรวมทั้งเนื้อหาของธรรมะที่จะทําให้จิตของเราพัฒนาขึ้นมาได้ก็คือฟังธรรมะของเจ้าบา่อยๆ ถามมาคุณผ้านี่ความจริงก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรานั่นแหละพูดกี่ครั้งกี่ครั้งก็คือสาธยายตรงนี้พูดกลับไปกลับมาเพราะมันมีขอบเขตอยู่แค่นี้เหมือนเรารับประทานอาหารน่ะมันก็มขกีข้าวกับข้าวกับข้าวกับวนไปเวียนมานั่นแหละคนนี้ําอาหารก็จะไปหามันก็อยู่ในโลกเหล่านี่แหละมันจะไปหาอย่างอื่นนอกจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกก็ไม่ได้มันก็เลยวนไปวนมามีปลาบ้างมีหมูบ้างมีไก่บ้าง วนไปวนมามืนมีข้าวถือเงี้ยซ้ำพุทธมรรคก็ของเก่าเราต้องทําความเข้าใจไปอธิบายขยายาความไปมันก็เออเพื่อนี่แหละให้มันลึกซึ้งให้มันสามารถที่จะเอานํามาให้มันซึมเข้าไปในจิตใจของเราเรียว่ามีโยนิโสมนสิการมีแยบคายรู้เห็นเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นจิตก็เริ่มคลายออกคลายออกเริ่มปล่อยเริ่มวาง วิทนามาก็รู้แล้วมันอยู่ที่ร่างกายดูไปดูมาก็เอามันก็เป็นแค่จิตตัวไปรู้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็วางไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยวางวิทนาได้ก็วางกายได้วางกายได้ก็วางวิทนาได้วางจิตได้บางทีก็เอาตามดูจิตตามดูจะมองแบบขันห้าก็ได้มองดูจิตเป็นอาการของจิตก็ได้มันก็แค่เกิดแล้วก็ดับ ตอนแรกมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นก็เลยต้องทําความเข้าใจไปทําความเข้าใจไปแล้วพอมันมีกําลังขึ้นมาพอไอตัวปัญญาเนี่ยตัวโยนิโสมนสิการมันก็คือพัฒนามาเป็นปัญญายาณเป็นวิปัสนาญาณอยูนิโสมนสิการทำมานุธรรมปฏิบัติท่านบอกว่าใครมีทำสี่ข้อนี้ก็ทําให้ปัญญาเจริญเพราะนั้นปัญญาในความหมายของพุทธเจ้าก็คือปัญญาที่มันรู้ความจริงนี่เอง เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่คนหลงยึดมั่นถึงมั่นแต่เรายังทําไม่ได้ก็เลยต้องมาปฏิบัติปฏิบัติที่บ้านเนาะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวอันนูน้นอันนี้บ้านของเราเดี๋ยวมีการมีงานมีนูน่นมีนี่มีเรื่องมีเราก็เอามาวัดหาที่ปฏิบัติหรือหาที่หลีกเล่นว่าไปก็เพื่อนี้แหละ เลที่สําคัญก็ต้องมีบุญเลยมีบาร ม, มีจึงอยากปฏิบัติแค่ได้อยากปฏิบัตินี้ก็ใช้ได้แล้วไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดนี่สุดยอดแล้วคนที่ไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากกลับมาเกิดอีกเนี่ยเนี่ยมก็ต้องมาหันมานี่หันมาสี่ข้อนี้ถอถึงปโสดาบันแล้วก็ปฏิบัติต่อไปอีกกับสักก า, าคามีปฏิบัติต่อไปอ ก, ก็ับาณาคามีสุดท้ายกับพราหนณ์พอเข้ากระแสแล้ว ตรงได้แน่นอนเป็นผู้เที่ยมต่อการเข้าถึงนิพพานหรือเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาไม่ไปอบายภูมิแน่นอนแล้วถองถึงนิพพานแน่นอนแค่นี้มันก็โอ้ชีวิตเนี่ยมันก็ดีขึ้นมาแล้วถึงยังไม่สิ้นสุดยังไม่ถึงกับรู้แจ้งถึงที่สุดยังทุกยังไม่ดับหมดมันก็ถือว่าดีแล้วการควบคุมอารมณ์ก็จะดีด้วย ไหมกขาว่ามันคอยวางได้เคยเป็นทุกข์มันไม่ทุกข์ก็มีเนี่ยยังจําได้นะสมัยอยู่กันองค์สององค์อะอาจารย์สิงห์เนี่ยที่นั่งอยู่ข้างอะม า, าแล้วก็ว่าเคยนั่งนั่งเราสู้เวทนาวะนั่งบ น, นก้อนหินดึกดกเข้าตกจากก้อนหินลงมานั่งต่ออีกสุดท้ายมันเหมือนมีอะไรมันดับพุ่ไป ก็มาเยี่ยมมาเย็นแล้วก็มาเล่าให้ฟังก็เลยบอกว่านี่แหละสภาวธรรมของพระโสดาบันเดี๋ยวสังเกตไหมตอนหลังๆมาเนี่ยคนอื่นเป็นทุกข์เราไม่ทุกข์ก็มีไหมบอกใช่ใช่ใชเริ่มดูเริ่มเข้าใจขึ้นมานี่แหละคือพอมันมีธรรมะขึ้นมาผู้ที่รู้ธรรมแล้วเนี่ยถ้ามันมีธรรมะของจริงมาเล่ามันจะสะดุดตึ๊บเข้ามาเลยมันจะสะดุดตึ๊บเลยเออเ อ, อ, อันนี้นานมาแล้วนะหลายปีมาแล้ว คือมันเป็นไปได้แต่เราก็ต้องเพียรสร้างเหตุนะเป็นเองแต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนเนี่ยต้องสู่เวทนาอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะจะดูอะไรที่มันโยนิโซมัญิกาเน่ะมันทำให้จิตใจของเรามันดื่มดามันลึกซึ้งมันเข้าเข้าใจมันคลายออกได้ใช้ได้หมดแหละแต่เวทนานี่มันเป็นเหมือนตัวแทนคล้ายๆกับมันเข้าไปอยู่ในจิตนะมันก็เหมือนตัวแทนของความทุกข์ เบฒนามันบีบคันแล้วมันก็ทุกในจิตตอนหลังมันเป็นเรื่องของจิตหมดละในจิตนี่จะแยกออกมาก็เป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นเวทนาเนะี่ยอยู่ในจิตอ่ะหลายๆคนก็มีมาเล่าเนี่ยมันก็ขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปนะอันนี้เล่าสภาว่าธรรมว่าเออแม่ชีก็มีโยมก็มีมาปฏิบัติชั่วคราวเขามาเล่าให้ฟังก็มีมีหมดอะ่ะทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งโยมผู้หญิงผู้ชาย เพปฏิบัติธรรมอ่ะทำมามันก็เกิดขึด้นเราได้พระโสดาบันสกทาคามีพระนาคามีพระอฮานก็มีทั้งพระเมจีโยมบางทีเขาว่าเออโยมบรรลุธรรมแล้วไม่บวดตายไม่เห็นตายน้ว่าไม่ตายเพราะเราเห็นคนปฏิบัติเขาก็ยังอยู่แต่เขาก็จะมีความเป็นอยู่ที่มันเหมาะสมของเรา ชอบไปอยู่ในวัดชอบไปในที่ปฏิบัติธรรมไปช่วยศาสนาอะไรไปตามความเหมาะสมพอทําอาหารการกินกระทําก็ยังทําปกติอยู่นะไม่ใช่ว่าโอ้ยพระอาหารหันแล้วทําอะไรไม่ได้เลยแต่เราเห็นเนะี่ยคนที่เขาถนัดเขาก็ยังทําอยู่สบายๆอะ่ะอันนี้ไปตีข่าวเองว่าโอ้ยพระอาหารหันทำนู่นทำนี่ไม่ได้เดี๋ยวทําให้คนที่มากินอาหารเป็นบาปมันจะบาปได้ยังไงอะ่ะ เขาก็ทำประโยชน์ของเขาไม่ใช่ว่าเออพอหลานแล้วทำอะไรไม่ได้ปกติเลยอยู่สบายๆเป็นธรรมชาตินี่แหละคนดำมันก็ดำไปถ้าเป็นพระก็มีข้อวัดปฏิบัติเหมาะสมเป็นตัวอย่างอย่ า, ยาคนอื่นไปหรือขั้นไหนก็ตามเถิดถ้าปฏิบัติตามธรรมของพระเจ้าแล้วมันสวยงามความเป็นอยู่มันก็ปัญหามันน้อยไม่ค่อยมีปัญหากันแล้วมันก็เป็นความเจริญรุ่งเรือง ธรรมะนี่มันแปลกนะที่ไหนเอาธรรมะนี่มันเจริญนุ่งเหลืองก็แปลกนะอัศจรรย์มากเลยนะถ้าเคยมีปัญหากับปัญหาก็จะลดลงลดลงลดลงถ้าใครเอาธรรมะชีวิตก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนาที่การงานก็ดีขึ้นสภาพแวดล้อมอะไรก็ดีขึ้นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องค่อยๆดีขึ้นต้องธรรมะเท่านั้นนะเทว ด, ดาก็อนุโมทนาชื่นชมยินดีเคารพนับถือ ก็จะเป็นแบบนี้แหละธรรมชาติอันเนี้ยเอาเตรียมตัวนะเดี๋ยวเราจะหยุดละ ว, วันนี้รู้สึกว่าพูดนานพูดนานก็สงสารมาเลเซียนะฟังเขาไม่ออกเอาแต่ก็นั่งได้ภาวนาก็ได้ฝึกความอดทนไปเลยเอาเข้าใจแล้วก็ให้ไปปฏิบัติเองนะวันนี้ก็เอาต่อไปนี้ให้อุทิศบุญนะ